เรื่องท้าสักกะเทวราชพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารเท้าสักกะเทวราชความพิสดารว่าสมัยหนึ่งเทพพยายดาในดาวดึงเทวโลกประชุมกันตั้งปัญหาขึ้นสีข้อว่าบรรดาทานทั้งหลายทานใดเป็นเยี่ยมบรรดารถทั้งหลาย รถใดเป็นยอดบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีใดเลิศความสิ้นไปแห่งตันหาเพราะเหตุใดจึงประเสริฐสุดเทวดาต่างถามกันและกันอย่างนี้เที่ยวไปในหมื่นจักรวาลถึงสิองปีไปยังเท้ามหาราชทั้งสี่ท่านบอกให้ไปสำนักของเท้าสักกะเทวราแล้วถามพระองค์เถิดเท้าสักกะ ทรงพาเทวดาทั้งหลายไปเฝ้าพระศัสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราบำเพ็ญบา ร, รมีมาสิ้นสามสิบทัศบริจาคมหาทานห้าคือบริจาคชีวิตอวัยวะภริยาลูกและทรัพย์เป็นทานแทงตลอดสัพพัญยุตยานยอมตัดความสงสัยของชนทั้งหลายขอพระองค์ทรงสดับปัญหาเถิด บรรดาทานทุกชนิดธรรมทานเป็นเยี่ยมบรรดารถทุกชนิดรถแห่งธรรมะเป็นยอดบรรดาความยินดีทุกชนิดความยินดีในธรรมะเป็นเลิศความสิ้นไปแห่งตันหาประเสริฐที่สุดเพราะทาให้สัตว์บรรลุอรหัตดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถาว่าธรรมทาน ยอมชนะทานทั้งปวงรถแห่งพระธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมะยอมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหายอมชนะทุกทั้งปวงอธิบายคำว่าส an ัพพะทานังคือบรรดาทานอามิตรวัตถุสิ่งของมีไตรจีวรเป็นต้น พึงถวายพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระกีนาสบอรหันทั้งหลายนั่งติดติดกันไม่มีระหว่างในห้องจักรวาลตลอดไปถึงพรหมโลกทานนี้หามีค่าถึงหนึ่งใน16เซี่ยวของพระคถานั้นไห่ส่วนธรรมทานังการแสดงธรรมกล่าวสอนการสดับธรรมเป็นของใหญ่แม้อำนาจอนุโมทนาทาน โดยที่สุดด้วยพระคทถาสี่บาทประเสริฐที่สุดกว่าทานถวายปัจจัยสี่ที่ทายกบรรจุบาทให้เต็มด้วยรถอันปราณีตประเสริฐกว่าการสร้างวิหารมหาวิหารปราสาท ต, ตั้งแสนแล้วถวายเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเท่านั้นชนทั้งหลายจึงได้ทำวัตถุทานเมื่อไม่ได้มีการกล่าวสอนธรรมไม่ได้ฟังธรรม ก็หาทมวัตถุทานนั้นได้ไม่และเพราะเหตุแห่งธรรมทานทำให้บรรลุอริยผลทั้งหลายอันเป็นทางสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละธรรมทานจึงชนะทานทั้งปวงสัพพะทานังธรรมทานังชินาติสัพพรสังคือบรรดารดทั้งหลายอันเกิดแต่สุทาโภชนะ อันเป็นทิพย์ของเราเทวดาทั้งหลายย่อมยังสัตว์ให้ตกไปในวัฏฏะแล้วเสวยทุกข์โดยแท้ส่วนพระธรรมรถมีโพธิปัจกียธรรม3าสิบเจ็ดอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้และโลกกตรธรรมทั้งเก้ามีมรสีผลสีและนิพพานหนึ่งนั่นแหละประเสริฐกว่ารสทั้งปวงจึงทรงตรัสว่า สภารสังธรรมรโสชินาติรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงสภารติงอันว่าความยินดีทั้งหลายได้แก่ความยินดีในบุตรธิดาในทรัพย์ในสตรีหรือคู่ครองแม้ความยินดีในการฟ้อนและการขับระโคมยอมเป็นปัจจัยให้ตกไปในสังสารวัฏและเสวยทุกข สนความยินดีในธรรมความเอิบอิ่มซึ่งเกิดขึ้นจากภายในของผู้กล่าวสอนแสดงธรรมและผู้ฟังธรรมสนทนาธรรมย่อมเบิกบานปีติเอิบอิ่มใจย่อมธรรมที่สุดแห่งสังสารวัฏมีอรหัตเป็นที่สุดความยินดีในธรรมะนี่แหละประเสริฐกว่าความยินดีทั้งปวงสภารติงธรมะรมารติชินาติ ความสิ้นไปแห่งตัญหาคือความเกิดขึ้นแห่งพระอรหันต์ประเสริฐกว่าทุกอย่างเพราะครอบงำวัตถุกได้แม้ทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าตันหักขโยสัพพทุกขังจินนาติความสิ้นไปแห่งตันหาชนะทุกทั้งปวงเมื่อทรงตรัสเนื้อความนี้แล้ว ธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์8ป0 0 0สี่พันแล้วแม้เท้าสักกะทรงสดับธรรมกคาถาของพระสัสดาถวายบังคมและทูลว่าพระเจ้าค่ะเพื่อประโยชน์อะไรพระองค์จึงไม่รับสั่งให้ส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์ในธรรมทานอันชื่อว่าเยี่ยมอย่างนี้แต่นี้ไปขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกภิกษุให้ส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ พระศาสดาทรงรับคำรับสั่งให้ภิกษุเมื่อกล่าวธรรมะกล่าวอุปนิสินนคถากล่าวอนุโมทนาแล้วพึงให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งปวง